กรณีนะครับหลวงตาสอนทั้งคุณหมอเฟิร์สทั้งปุ้งแล้วก็ทั้งน้องปอเอ้น้องดกเนี่ยว่าแช่แล้วเขาจะต้องป่วยแล้วหลวงตาสอนอย่างงี้มันเป็นปีแล้วเขาก็กลับไปเป็นอย่างเก่าแล้วหลวงตาก็ชี้เห็นโทษคือจริงๆขณะฟังเนี่ยยอมรับยอมรับหลวงตาด้วยใจเป็นร้อยเนี่ยแล้วทําไมพอกลับไปแล้วเขาก็เป็นอย่างเก่าอีกก็นะี่เขาเกียรติรู้ไว้ไง พี่เกตจะรู้ไว้พี่เกตจะรู้ไว้ใช่เกตจะรู้รู้รู้รู้รู้อะไรล่ะต่ติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจเก็ปล่อยวางไปปล่อยวางสติไปเลยเขาก็ไปอยู่กับธรรมชาติอยู่คนนี้นนเื่อไปล่อยวางสติตั้งที่ใจไปเลยเขาเหนื่อยอเขาเหนื่อยแล้วบางทีเขาก็ไม่เห็นด้วยแสดงว่าคือการภาวนาเนี่ยคล้ายๆการแก้นิสัยสันดานเดิมซึ่งมันยากมากสําหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่อง พอคนเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าทางนี้ถูกต้องก็ยังยังยังยังเอาชนะนิสัยเดิมไม่ได้อีกใช่ไหมครับผมไอ้ตัวเนี้ยทําไมมันเอาชนะยากในิส่เดิมทั้งที่รู้อยู่ว่าถ้าก็ติตั้งตีใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยความที่ใจเนะี่ยมันจะเห็น ye, ไอ้ตัวเราเนี่ยพูดไม่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะรู้อะไรนะรู้ลูบ ร, รู้เสียง ร, รู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ทำอารมณ์ทุกขนาปัจจุบันมันจะพูดจะพากแต่คิดจะตึกจะตองอะไรมันตลอดเวลาวพี่ข้อตลอดเวลามันจะรู้จีจีจีีมันไม่หลับไม่นอนเลย แล้วมันจะเหนื่อยมากแล้วก็ติณตุระสู้สู้ไปอยู่ก็สบายดีกว่าไอที่มันสบายเนี่ยมันไม่คิดอะไรมันสบายกว่ารู้สึกว่าไอตรงนั้นนมันสบายกว่าคือไอเนี่ยมันเหนื่อยกว่าไอที่มารู้ว่าตัวเราพูดตัวเราบ่นตัวเราพูดตัวเราบ่นตัวเราวิเคราะห์วิจารวิจัยโอ้ยมันรู้จีจีจโอ้ยรู้ที่ใจตลอดเลยโอ้ยปุ๊บแล้วก็พลิกไปไม่รู้อะไรเลยดีกว่าแล้วก็อยู่สบายอย่างนั้นแหะแช่โป่งโรกเบาสบายว่าอย่างนี้สบายกว่าขี้เกียจมา สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจลาใจคือรู้วิจาณ์ขันที่มันมันทํางานเร่องปัญจติกเปนานสัญญาสังขารเนี่ยตั้งรู้ตั้งคิดตั้งรู้ตั้งคิดตั้งต้อนตังตอมันพูดอะไอยู่ใจใจไม่ว่าจะรู้รูปมันก็มาพูดในใจรู้เสียงมาพูดในใจรู้กลิ่นมาพูดในใจรู้รสมาพูดในใจรู้สิ่งสัมผัสร่างกายมานพูดในใจรู้อาการของใจรู้สบายมานพูดในใจนะรู้ว่างมาพูดในใจเพราะนั้นถ้ามันเนี่ยจะหลุดจักแช่รู้จักว่างหลุดจากสบายเนี่ยมันต้องเข้าหาพู้รู้หลุดหมดเลยเพราะ มันอยู่ที่ไอ้ผู้รู้เพราะว่ารู้สบายมันก็มาพูดในใจรู้นิ่งเฉยมันก็พูดในใจรู้ไม่สบายก็มาพูดในใจรู้ว่ามันก็มาพูดในใจถ้าเข้าหายผู้รู้ที่มันพูดได้คิดติดตองได้เนี่ยมันจะไม่ติดอาการใดๆเลยแล้วไม่ติดทุกอย่างในโลกนี้ด้วยเพราะว่าวิาวธีจะหลุดจากทุกอย่างได้คือเข้าหาผู้รู้ถ้าหรวงตาก็คือว่าถ้าถ้าที่ผมฟังนะฮะก็คือหลวงตาจะสอนตลอดว่าถ้าสงสัยว่าเมื่อไหร่เราไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิด คือเราไม่ได้ยินเสียงไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยมันพูดอยู่คือเราเราเลิกเลิกบ่นเลิกพูดเนี่ยอันนั้นะเป็นการปฏิบัติที่ผิดแต่เมื่อกี้มีหลวงตาสอนคุณดาวนิดนึงนะครับโจคือสอนดาวบอกว่าไอ้ไอ้ที่มันเป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติมันคิดขึ้นเองแล้วมันรู้ขึ้นเองเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติมันมันจะไม่มีเสียงพูดเสียงบนแต่การภาวนาเนี่ยถ้าตับใด มันคิดขึ้นเองไงแต่เพราะว่ามันรู้ขึ้นมาเองแต่มันในรู้ขึ้นมาเองเนี่ยในความว่างมีความคิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะในความว่างมีความคิดในความคิดมีความว่างแต่มันไม่เจตนาจะรู้ครับหลวงมาคือมันไม่เจตนาแต่เป็นความรู้อยู่ว่าในความคิดมีความว่างในความว่างมีความคิดแต่มันจะต่างกับผู้ที่แช่ความว่างผู้ที่แช่ความสบายเนี่ย เห็นแต่ความว่างไม่เห็นความคิดคือผมเกรงว่าอย่างนี้ครับหลวงตาคือผู้ที่ไม่ได้เห็นจิตคิดอยูตลอดเนี่ยบางทีมันมีจิตที่ไปจับความรู้ตรงเนี้ยปุ๊บแล้วก็พยายามคว่าใช่ครับพยายามทําให้มีความรู้สึกขึ้นมาแล้วก็ปึ๊อ่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับหลวงตาพอพอมันมันจะผิดกันครับอันนั้นคือมันจะเห็นแต่ความว่างครับมันจะรู้สึกแต่ความว่างแต่มันไม่เห็นความในความว่างมีความคิดมันมามันมารู้ความคิด แต่ใจมันว่างเปล่าอยู่ไม่ใช่ว่าไปสนใจความว่างนั้นตรงนี้สำคัญมากนะคือแม้แต่ว่ามันเนี่ยไม่มีเจตนารู้เป็นใจที่ว่างเปล่านะและมีเป็นความคิดแต่มันเห็นว่าไอ้ความคิดเนี่ยไม่มีใครไปเสวยแต่ไม่ใช่ว่ามาจับอยู่ตรงใจที่ว่างเปล่าคือผมผมผมผมเข้าใจที่ที่หลวงตาสอนนะครับว่าไม่ใช่ไปจับที่สภาวะว่างแล้วมีความคิดผุดขึ้นมาแล้วก็มีตัวรู้ ที่เป็นธรรมชาติไปรู้ครับแต่พุทธชนนะครับเวลาฟังผลผลก็คือหมายถึงว่าสภาวะที่หลวงตาเล่าให้ฟังนะครับเขาก็จะไปจักผลเขาจะไม่ได้ทําเหตุว่าจริงๆอ่ะเหตุมันจะต้องรู้จีจีจไอสิ่งที่พูดน่าลาคาญที่บ่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นจิตปรุงแต่งต้องไล่รู้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ไปสนใจว่าไอตัวที่หลวงตาสอนดาวเนี่ยมันจะเกิดเมื่อไหร่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องตัดติดจดจ่อเห็นถ้าจะทุกอาการของจิตแล้วอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่า วันหนึ่งไปเห็นแค่ไม่กี่ครั้งเ้วก็จะจะไปรอไปเจอความคิดที่มันเกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดการเป็นเพราะว่าจิตผมเข้าใจว่าจิตนะครับหลวงตาถ้าฟังฟังสภาวะแล้วเนี่ยคนที่มีการปรุงแต่งในจิตเนี่ยก็จะสามารถไปปรุงแต่งสภาวะอย่างที่หลวงตาบอกได้แล้วก็จะเข้าใจผิดว่าไอ้ความปรุงแต่งอ น, นั้นกับกับสภาวะที่ไปเจอตัวจริง มันอาจจะช่วงขนาดจิตมันอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยครับผมมันจะไม่เหมือนกันที่หลวงตาบอกว่ามันจะไม่เหมือนกันคือคนที่ไปสร้างสภาวะมามันจะรู้สึกแต่ความว่างมันจะไม่เห็นความคิดแต่คนที่มันเป็นแล้วเนี่ยมันเห็นแต่ความคิดมันไม่สนใจความว่างแต่มันรู้รู้แก่ใจว่าไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปหลบรับติคิดแล้วข้าวนี้ครับหลวงตาคือสภาวะอย่างนั้นเนี่ยเราสมสมสมมุตินะครับผมคิดผมสงสัยว่า เราเนี่ยต้องรู้ความคิดรู้คู้รู้เนี่ยแทบไม่ขาดทั้งวันนะครับหลวงตาเราได้ยินเสียงพูดเสียงบนอยู่ยตลอดหรือว่าวันดีขึ้นดีเราก็มารู้บ้างไม่รู้บ้างวันหนึ่งสักประมาณยี่สิบสามสิบครั้งนะครับหลวงตาผ่านช่วงเนี่ยแล้วมันก็จะมีตัวนั้นผุดขึ้นมาได้บ้างใช่ไหมครับหลวงตาไอตัวที่บอกว่ารู้ฟึบขึ้นมาแล้วก็แบบ โดยเจตนาครับทั้งที่เรายังตั้งใจไม่ได้ถ้างงันตั้งใจไม่ไ ม, ไม่ไม่ครับหลวงพคือขอยนุก็คือสติเรา ย, ยังไม่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็อาจโผล่ขึ้นไห้เห็นได้เหมือนกันใช่ไหมครับไหมเราไม่มีความเพียรติดจด่อรู้อยู่ตลอดนะครับยากยากเใช่ไหมัมนลงไปกับอารมณ์หมดคือสรุปแล้วก็ถ้าจะเห็นทุกคิดอยู่แล้วระหว่างวันจนหมดแล้วเนี่ยมันถึงจะโอกาสที่ลงตาบอกว่าไอ้ตัวนี้โผล่ขึ้นมาไม่รู้แต่ถ้าคนที่แบบแท ไม่เห็นคือวันวันฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างแล้วไม่เห็นตัวเองคิดตัวเองอะไรเงี้ยโอกาสเห็นตรงนี้ก็ยากเพราะว่าวันนึงมันสติมันขาดครับไปต่อเนื่องอืมครับต้องฝาครับแต่สติสติต่อเนื่องก็ต้องสติที่ถูกต้องโดยไม่จะว่าสติไปจับอะไรเออต่อต่อสติที่ถูกต้องนะบอกว่ามีสติตลอดแต่ไม่ตลอดตลอดไม่ไม่ได้เลยแต่บางคนมีสติเฉยอยู่กับความนิ่งเฉยตลอดอันนี้ก็ไม่มีสติครับเออต้อสติอะไรตัวเนี้ย สต yang yang uh. ok ิก็ต้องมารู้ยจิตวิญญาณขานที่ทํางานร่วมกับเจตสิกไปธนาปัญญาสัญหาปัญญารู้นล้นล้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันเจ้าจิตก็ลุ้นวิญญาณขันเนี่ยที่ทำงานร่วมกับเจตสิกคือละทั้งสิ่งที่ถลุกรู้และละทั้งผู้รู้ไปพร้อมกันตลอดเวลานี่ยถึงจะเรียกว่าสติแต่ถ้าบอกว่ามีสติตลอดเวลาเดินจงกรมตลอดเวลาเฉยอย่างเดียวเดินรู้แต่อรียบทของกายที่เคลื่อนที่ไปอย่างเดียวหรือรู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวเฉยใจสบายว่างโล่งโปรสบายอย่่่าางงเดีีียยวอน้ไมมสติครับ เขาเพงบอกว่าสติเป็นมหาสติจึงเป็นมหาสมาธิมหาปัญญาเป็นนิพพานต้องเป็นมหาสติมหาสติแต่ต้องเป็นมหาสติที่เป็นมหาสติที่เป็นสัมมาสัมมาสติสัมมาสติต้องเป็นสัมมาสตินะจะมีสัมมาสติได้ต้องมีต้องมีสัมมาทิฏฐิเออต้องมาจำมีสติตะก่อนว่าอะไรเป็นอะไรต้องมีสัมมาทิฏฐิตาก่อนเหมือนกับไอสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกับว่าคุณจะเดินทางจากกรุงเทพมาลงตาที่เนี่ย สวนทำฟางม่วงเนี nie, Arizona, się, achieve, ่ยค sure. ุณต sure> ้องมีสมาธิสี่ก่อนว่ามันจะมาอย่างไงวะจะมาสายไหนมาทางไหนกูต้องรู้รู้ในใจเสก่อนว่ามันจะต้องมาอย่างไรอ่ะจะมาทางไหนไม่รู้เรื่องเลยก็อออกมาก่อนไลยไม่รู้เรื่องเดินไปเลยๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องถามก่อนนะว่ามันจะมาทางไหนอย่างไงจนจะมาชัดเจนในใจว่าอ๋อไม่ผิดแน่นอนเดินทางไม่ผิดแน่นอนอันเนี้ยแต่ทางเนี้ยก็ต้องชัดเลยนะว่าเป็นทางที่มาที่นี่จริงๆเดี๋ยมาที่มาที่ฟางม่วงจริงๆกันไหมด้วว่าถ้าเปรียบเหมือนฟางม่วงเนี่ยคือ คือไปสู่ไนิผ่านจริงๆอันนี้คือต้องชัดจริงๆชัดในใจกว่านนะแต่ยังไม่ได้มาถึงนะแต่แผนที่เนี่ยชัดในใจขับรถมาไี่เชื่อว่าจริงๆว่าไม่ผิดไม่หลงอันอย่างนี้คือจึงเป็นสมาธิฏฐิแล้วที่เหลือเนี่ยก็มีความเพียรมีสติมีสติขับมาด้ความขับรถมาได้ความมีสติมีความเพียพรก็คือเป็นเป็นสติที่เป็นสติชอบพอมันเป็นสมาสติเสร็จ แ, แล้วเนี่ยต่อไปมันชอบหมดเลย คิดชอบพูดชอบทําชอบประกอบอาชีพชอบคือมีประกอบอาชีพก็คือประกอบอาชีพในการครทบเพียนชอบเนี่ยประกอบอาชีพเพื่อเพื่อปล่อยวางชอบแล้วก็เพียนเพียนลาเพียนปล่อยเพียนวางเพียนรู้เพียนลาเพียนปล่อยเพียนวางแล้วก็เนี่ยก็มีเออสติชอบสติก็เป็นสติชอบสติว่าสติชอบยังไงไม่ใช่ว่าสติแช่สติชอบเลยไม่สติแช่ไลเขาเนี่ยหลังเป็นสติชอบสติรู้ชอบแล้วก็มีสมาธิชอบมันก็เลยชอบหมดเลยนะพอเป็นสัมมาทิฏฐิมาตั้งแต่ข้อชอบหมดเลย หลวงตาก็คือว่าที่หลวงตาอธิบายทั้งหมดทั้งแต่รู้ปกติผู้รู้ผู้คิดอะไรจนรู้เป็นธรรมชาติก็คือสุดสายเนี่ยแม้ว่าเราฟังด้วยสมมุติเข้าใจใช่ไหมครับที่หลวงตาพูดเดียวคำหนึ่งว่าผู้ใ ด, ดเห็นธรรมแล้วแล้วก็ถึงธรรมมันคนละเรื่องกันคือหนึ่งคนเข้าใจสมมุติจนสุดสายตามที่หลวงตาบอกแต่ถ้ายังไม่เริ่มเดินทางก็ต้องขยันเพียรเดินทางก่อน แล si ้วระหว่างเดินทางเนี่ยต่อให้ค yes, ุณมีสัมมาทิฐิมันก็ต้องหลงเพราะมันเป็นการเอาชนะนิสัยสันดานเดิมฉะนั้นสันดานเดิมคุณติดอะไรยังไงมันก็จะเป็นอันเก่ามันก็จะวนกลับมาพยายามติดอันเก่าก็คือว่าระหว่างทํามันต้องตกไปล่องเก่าอยู่แล้วเพราะเป็นการเอาชนะทางเดิมฉะนั้นคุณก็ต้องยิ่งเรียนยิ่งเข้าใจจนกว่ามันจะหลุดจากอันเก่าไปสุดก็ถึงจะอันนั้นก็จะถึงธรรมก็คือปล่อยวางนิสัยสันดานเก่าคือปล่อยวางทางเดินเดิม ก็นิสัยสันดานเก่าเนี่ยภาษาเขาเรียกว่าอาสวะอาสวะคือกิเลสเครื่องดองสันดานหรือว่านิสัยสันดานเก่าที่ท่านพูดเนี่ยจึงไม่ได้แปลเป็นคำยากคือเขาแปลเป็นคำแปลของอาสวะแปลว่าอกิเลสเครื่องดองสันดานคือชอบคิดชอบพูดชอบกระทำตามความเคยตัวเคยใจที่สบายที่เอาแต่กิเลสอะไรที่ฝืนกิเลสไม่เอาหรือว่าเขาเรียกว่าอนุใสอนุสัยก็คือว่าคิดพูดทำเนี่ยจนเป็นความเคยชินเลยอะ ทั้งคิดทั้งผู้ทั้ ง, งรรมเนี่ยจะเป็นความเคยชินพอเป็นความชินนังหนเข้าเนี่ยมันก็เป็นความเคยตัวเคยใจพอเป็นเคยตัวเคยใจนางหนาเข้ามันก็เป็นนิสัยเป็นตันดาลไปตอนี้กมันก็เลยเป็นอสาสวะเป็นอนุสัยไอ้ตัวอสาสวะอนุสัยเนี่ยเป็นพ่อแม่ของอวิชชาตัวนี้เป็นต้นเหตุใหญ่เป็นพ่อแม่ของอวิชชาที่ท่านพูดเนี่ยที่บอกว่าแม้แต่จะรู้ผผมหนทาง ห, หมดแล้วเป็นเป็นสัมมาทิฏฐิหมดแล้วรู้อริยมรรคหมดแล้วเนี่ย แต่เนี่ยนิสัยสันดานเดิมเนี่ยมันก็ขี้เกียจอีกเหมือนเดิมแ้วก็กลับไปเอาความสบายพอความสบายเสร็จมันก็ไอตัวนี้เลยตอนนี้ยก็เล ย, ก, เลยการคิดการพูดการกระทำก็มีตัวเราเข้ามาสมโลหมดไปตามความสบายหมดเลยเป็นพ่อแม่ของวิจาก็นิสยกลับเป็นนิสัยสบายรับความสบายแต่เดิมไอที่บอกว่าให้ฝืนไว้เข้าหาผู้รู้ไอ้น่อะไรไอที่ฝืนเนี่ยคือฝืนนิสัยเดิมเข้าหาผู้รู้แต่มันไปกับสิ่งที่ถูกรู้หมดแล้วมันทิ้งผู้รู้ไปหมด่คือไอผู้รู้ที่ ก็คือจิตวิจารณ์ขาดในตัวเราผู้รู้ผู้คิดผู้พูดผู้ติดต้องเนี่ยเข้าหาผู้รู้มันถ้าเราก็อหาผู้รู้ตลอดเวลามันจะหลุดจากสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดตอนนี้มันไม่เอาแล้วทิ้งผู้รู้ไปเลยขี้เกียจมันก็เลยไปกับสิ่งที่ถูกรู้มันก็เลยเป็นนิสัยฉดาดอาสวะหรืออนุสัยมันเลยเป็นพ่อแม่ของวิชาตอนนี้เวลาเราจะเอาชนะมันได้ก็ต้องฝืนมากเลยเขาเรียกว่าทวนกระแสถ้าตามกระแสคือไปตามอำเภอใจตามความสบายใจ ตามไปหารูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสแต่สีตามอารมณ์ใจความความคิดอดีตอนาคตตามไปตามอารมณ์ที่ถูกรู้ไปตามความคิดตัวเองเลยคือสบายแฮ่เลยไปอย่างนั้นน่ะตามความสบายใจแต่พื้นกระแสคืออะไรทวนกระแสคือทวนก็หาผู้รู้กระแสโลกคือคนทั้งหลายจะไปกับสิ่งที่ถูกรู้แต่ส่วนกระแสคือไม่ตามไม่ตามไปหาสิ่งที่ถูกไม่ตามไปกับสิ่งที่ถูกรู้ไม่ตามไปกับความคิดแต่ทวนก็หาผู้รู้ผู้รู้ความคิดทวนก็หาสิ่งที่ถูก รู้ไม่ไม่ไม่ไปสิ่งที่ถูกรู้แต่ตัวก็หาผู้รู้ในไอ้ผู้รู้ตัวแรกอะ่ะมันก็คือวิญญาณขันธ์จิตวิญญาณขันธ์มันรู้เสี้ยวนิดทีเดียวแล้วมันส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารคือเจตสิก ค, คือมันเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตในเจตสิกเนี่ยมันก็เลยรู้อะไรพบมันจะต้องถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆแล้วก็ถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกทุกเวทนาถ้าเป็นกลางๆก็เป็นอัตุกรรมมสุขเวทนาแล้วก็ส่งต่อสัญญาจําได้หมายรู้อะไรเป็นอะไรส่งต่อสังขารคือคิดคือ แต่วิเคราะ์วิจารวิจัยติดตอ่อเหมือนพูดอยู่คนเดียวคนเดียวอันนี้มันก็เลยเห็นเห็ น, หนตั้งไอไอวิญญาณขันจิตวิญญาณขันเห็นตั้งเวทนาสัญญาสังขารแต่มันเป็นรู้เพียงเสี้ยววินิจฉัเดียวแล้วมันก็จะส่งต่อเป็นธรรมารมคือเมื่อไหร่มื่ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารปุ๊บมันกลายเป็นธรรมารมทันทีเลยแล้วพอเป็นธรรมารมปุ๊บไอจิตวิญญาณตัวใหม่เนี่ยมันก็จะมารู้ไอไอธรรมารมตัวก่อนหน้านั้นแล้วพอมารู้ปุ๊บมันก็ปรู้เสี้ยววินิจฉัยแล้วก็มารู้เสี้ยววิน็น ทรอารมณ์ต่อคือส่งต่อไปธนาสัญญาตั้งขันเมื่อไหร่เป็นรู้ปุ๊บแล้วมันคิดปุ๊บเป็นทนํรอารมณ์ทันทีมันเป็นรู้เสียทันทีเดียวต่อไปมันไปคิดปุ๊ไปธรรมอารมณ์ทัน ท, มนทีมันเลยเวลาปล่อยวางอะปล่อยวางทั้งผู้คิดผู้รู้ผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดกูก็ต้องปล่อยวางทั้งยวงแต่คุณปล่อยวางทั้งยวงเนี่ยเท่ากับคุณปล่อยวางทั้งวิญญาณขันทั้งเวทนาสัญญาตัญญาขันคือไปทั้งยวงเลยเข้าใจไหมเอ้ยมันต้องฝืนมากเลยอะฝืนก็หาผู้รู้ที่เราบอกว่าอย่่าาาาทททิิ้้้้้้้้้้งงงผผผููููููรรรรออมันนนตฝืวกะแสเขห ผู้รู้ที่ ท, ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งผููได้บ่นได้ถึงต่อนในใจเนี่ยเราเห็นผู้รู้ตรงก่อนเนี่ยแล้วก็ปล่อยวางผู้รู้ที่หลังต้องพบผู้รู้ซะก่อนแล้วปล่อยวางผู้รู้ที่หลังอย่างนี้ไหมครับหลวงตาคือผมเข้าใจว่าพอภาวนาแล้วเนี่ยมันก็กลับมาลงที่ว่าเรารู้ตัวเราเองมากขึ้นว่าขณะจิตเนี่ยเราจะติดอะไรเราจะหลงเมเือเพลินไปกับอะไรที่มันไม่รู้แล้วก็ทําให้กลับมาเห็นพอเห็นแล้ว ล, ละวางไปเนี่ยก็เท่ากับปล่อยวาง อาสวัสติเลสที่มันติดอยู่กับเราเป็นประ จ, ำระจำํำๆฉะนั้นแบบไม่ว่าหมอเฟิร์สหรือน้องหยกที่เขาเห็นว่าจับว่างกับแช่แล้วแล้วเขาก็ปล่อยวางไปแล้วเนี่ยมันกลับมาติดอีกเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ขี้เกียจเป็นเพราะว่าสมมุติเขาทํามาหลายภพหลายชาติกับการจับแช่จับว่างเนี่ยบางครั้งมันไม่กลัดติดจดจ่อเหมือนคนติดบุหรี่ถ้าเลิกเลิกเลิกได้สองสามวันแล้วใจมันไม่เด็ดเดี่ยวมั่นคงเหมือนการภาวนาที่แบบ กะจะขัดขาจากบุหรี่จริงๆเนี่ยมันก็เลิกสองสวันก็กลับมาเสรต่อมันต้องเห็นแต่ก็คือผู้ที่ฟังทำจากหลวงตาแล้วเนี่ยเป็นสมาทิฏฐิคือจะอ่านตัวเองขาดว่าจะมีอนุสัยสันดาลลนอะไรกิเลสตัวไหนที่มันติดแล้วเราต้องกลับติดจดจอเพียนระวางที่ตัวผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้คือกิเลสตัณหาใช่ไหมครับแม้ว่าปฏิบัติแล้วมันกลับมาติดช่องเดิมมันเป็นเรื่องปกติของเราเพราะกิเลสส่วนนี้มันหนา มันก็อาจจะต้องใช้เวลาเยอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เห็นหนึ่งตัวแล้วความรู้สึกว่ามันเข้าใจแล้วมันจะจบเลยบางครั้งกิเลสมันข้ามภพข้ามชาติมามันอาจจะต้องหลายๆครั้งเพราะแต่ละคนจะมีตัวที่เป็นไม่เหมือนกันใช่ไหมครับหลวงตาเอ้ยพ อ, พ อ, พอสุดท้ายตอนที่บรรลุอะ่ะเขาจึงเรียกว่าอาสวะขยะยานเขาเรียกอาสวะขยะยานคือมียาอย่างรู้ว่าบัตเนี้ยไอ้ดิสไซความเคยตัวเคยใจการคิดการพูด ก, การกระทำที่มีตัวเราเขาเ้าไปผสมร่วม มีตัวเราก็าไปเป็นรั่วปรุงแต่งเป็นกิเลสเนี่ยตัวนี้ยมันดับหมดสิ้นแล้วเลยมีอาสวะขยะยานเกิดขึ้นคือเวลาบรรลุอะไรก็คืออาสวะขยะยานคือเขาจึงมันจะมาเกี่ยวข้ขอกับอาสวะเนี่ไงคือนิ ส, ยสัยสันดานเดิมเนี่ยมันที่มันชอบปรุงมาในทางกิเลสเนี่ยมันดับหมดแล้วดับก็เพราะว่าสติส ม, มาธิปัญญาเนี่ยสติเพราะสติที่คุณทำแต่สุดท้ายเวลาพ้นทุ่งจริงเนมันพ้นทุ่งในปัญญา สติเป็นตัวที่คอยรู้สึกตัวไว้ไม่หลงแต่ตัวปัญญาที่จะเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางได้จริงๆใช่ปัญญาคุณเจ้าจึงตรัสว่าสติมันเขื่อนกัน้นสติมันเกื่อนกั้นกิเลสสติมันเกื่อนกั้นกิเลสไว้คือเหมือนกับํารวมอินทรีย์คือสติคอยอยบาลหลงไปตามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้ทางกายทางใจพราแม่ครูบาอาจารย์จึงให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจดูที่ใจแล้วใ จ, ลใจปล่อยวางที่ใจไม่ให้มันให้มันไหลไปทาง แต่กูม่ได้ใจสติไม่ได้เป็นเขือนกันไว้แต่ถ้ากูมีแต่สติเขื่อนกันไว้อ่ะแต่ถ้ากิเลณมันมันหนาแน่นเกินจริงอ่ะไอความเคยตัวเคยใจอ่ะมันก็เอาไปกินหมดอ่ะสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีปัญญาที่จะสามารถตัดขาดจากมันได้ที่ท่านกล่าวว่าพุทธเจ้ายินตัดว่าสติเป็นเขือนกันแต่จะร่วมพ้นทุกข์ได้เพราะปัญญาคือครั้งแรกผมก็ไม่เข้าใจเห็นไม่ชัดฟังหลวงตาพูดมาหลายครั้งแล้วนะเรื่องว่าที่บบ ให้สนใจตัวพูดตัวบ่นนะครับหลวงตาบางทีผมรู้สึกเหมือนที่หลายๆคนคิดก็คือว่าตัวพูดตัวบ่นมันเป็นเหมือนตัวฟุ้งร้างแล้วก็นึกถึงคําที่หลวงปู่ ว, ว่า่างทีมันก็โง่งหมดนะครับแล้วก็หลวงตาพูดอีกอทําไมรู้สึกความความฉลาดของเรามันลดลงไปเยอะเลยภาวนาแล้วพอเป็นจับสไปร์ตนะครับหลวงตามันแบบเ้ยรู้สึกความคิดมันก็เป็นฟุ้งสร้างเราส่งอารมณ์แล้ว อยากคิดอะไรก็ค่อยปิ้งคิดมาทีนึ่งจริงๆมันใช้น้อยมากเลยแล้ววันสองวันที่ผมกลับเรียนหลวงตาหุ้ยความคิดเรามันเร็วขนาดนี้เหลยมันอุ้ยมันคิดนั่นนี่นู่นโอ้ยทาไมมันรู้เยอะขนาดนี้แม้เรื่องทางธรรมเราใช้ความคิดธรรมดาแล้วพอมันได้ยินเสียงเรื่อคิดโอ๊ยเราคิดอูตลอดแล้วคิดเยอะมากเลยมันโอ้โหแล้วจริงๆแค่ไม่ติดคิดเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดไม่อยู่ไม่มีสภาวะอะไรเลยก็คือคิดไปแต่มันไม่ใช่ความคิดของเราครับหลวงตาก็หมายถึงว่า ทิ้งมันไปมันรู้อะไรแล้วยังไงยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจที่หนตาบอกว่ายิ่งรู้ยิ่งปล่อยยิ่งวางยิ่ฉลาดยิ่งอะไรอันนี้มันตัวสังขารแล้วก็ใช้มันเป็นที่จี่จี๋ไปมันก็ไม่แช่เพราะมันแช่ไม่ได้มันทํางานอยู่ตลอดมันแบโอ้แล้วก็ได้ยินเสียงตลอดแล้วแบบอ๋อนี่ช่วงที่เราภาวนามาเนี่ยกลายเป็นว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยสันดานเดิมเราคือทั้งทรงอารมณ์อย่างเดียวเราก็จะเป็นดอกทุกอย่าง มันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเราไม่ใช้ความคิดกลายเป็นงานส่วนตัวก็แย่ไปด้วยอ่ะหลวงตาบางทีทำไมเราช้าไปเยอะเลยอะไรเงี้ยครับแต่พอพึ๊บกลับมาอ้อมันเป็นอย่างนี้ก็กกเพิ่งเข้าใจที่หลวงตาพูดตลอดว่ามันออกจากการทําสมาธิการอะไรมาเรามาเดินปัญญาเนี่ยมันคืออย่างนี้แล้วก็ใช้ปัญญาพ้นทุกข์ก็คือพ้นอย่างนี้จริงๆก็คือยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งวิเคราะห์ยิ่งอะไรครับที่เมื่อก่อน อ, อ, อยิ่งฟังย<พ>ิงรู้ยิงเข้าใจยิ่งวิเคราะห์ยังไม่ใช่ปัญญา เออมันยังไม่ใช่เป็นปัญญาแท้ที่ว่ายิง computed, ย่งฟังยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจยิ่งวิเคราะห์เนี่ยเพราะปัญญามันมีสามทีพระพุทจ้าตคือเอ่อขั้นไอ้การฟังการอ่านการฟังเรียกว่าสุตตามยาปัญญาอ่ะสุตตามายาปัญญาขั้นอ่านการฟังนี่คือเป็นปัญญาเรียกที่บอกว่าต้เข้าใจแล้วก่อนเข้าใจในขั้นฟังก่อนขั้นอ่านขั้นฟังก่อนคือกูต้องเป็นใน ส ม, มาธิถี่เป็นปัญญ า, าส ม, มาทิถี่เนี่ยเป็นปัญญ า, าส ม, มาธิถี่เนี่ยด้ขั้นอ่านขั้นฟังซะก่อนนะว่าจะคุณจะไปไหนจะไปยัางไงาเดินทางไงไปทางอยู่ตรงไหนต้องเข้าใจซะก่อนมันจะจําเพ t h จะมาวางังเนี่ยวังม่วงสระ บ, บุรีเนี่ยจะมาทางไหนสวนธรรมหลงตางอยู่ตรงไหนเนี่ยมันต้องเข้ามายากน like. ะมันสลับซับซ้อนอย่างเงี้ยมันก็ต้องรู้ทางซะก่อนเป็นปัญญ า, าส ม, มาทิถี่จากการฟังการอ่านบอกรู้ทางมาก่อนเลยก็ว่าถ้าเป็นแผนที่ก็คือศึกษาจากการฟังติที่เราส่งรายกันไปว่าแผนที่ที่จะมาเนี่ยมายังไงแล้วรึกษาให้ Google แแม แล้วก็เสร็จแล้วอหะปัญญาเกิดจากจินตามยาปัญญาคือนำมาที่ว่าที่ที่ที่แจ็คบอกว่าเอามากัดติดจดจอจดจ่อกัดติดไว่าทำไมวะเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ค <c oughs> ือมากัด okay. ติดจดจอจดจ่อกัดติดว่าเออทําไมมันรู้หมดแล้วทักอ่านมาก็อ่านมาแล้วฟังมาแล้วก็ฟังแล้วแต่ทำไมใจเรามันยังยึดต้นยึดที่ทําไมมันยังอาวิจามันยังเยอะมากเลยทำไมอ่ะมันทำไมเอาวิจารและกิเลสตถาเนี่ยมันยังเยอะมากเลยมันทำไมไม่ไม่หลุดแล้วนี่ ฟังก็เยอะอ่านาก็เยอะแต่ทำไมมันไม่หลุดตอนนีน้เรวิเคราะห์เข้าไปแล้วเนี่ยคือขั้นจินตามมายาปัญญาคือวิเคราะห์กระจาจของเราแต่แค่นะไม่ไไม่จ่ไปวิเคราะห์ในตำราเออวิเคราะห์กระจเราแต่แค่ะไ อ, อ้ทาไมอ่ะพ่อตาพี่โด ก, ก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลาหันสอนก็คสอนเยอะโอวาทเราก็แจรไปเยอะโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ชี้แน่ชี้อย่างเงี้ยทำไมเราจัง เรามันด์อวิชชาเรามันยังเยอะอยู่เนี่ยกิเลสตัณหาก็ยังเยอะอยู่ทำไมมันไม่มันทําไปตื๊ดตืตื๊ดตอย่างงี้ไม่ไปยังไงเลยอะไรเงี้ยเราเริ่มวิเคราะห์แหละนี่คือจิตตามมายาปัญญาเนี่ยแต่จิตตามมายาปัญญาก็กระติดจดจ่จดจกัะติดจดจกัะติดอย่างเงี้ยจิตตามมายาปัญญาไม่ใช่วปัญญาเอาข้อธรรมมาเรียนมาคิดเรื่อยไปเรื่อยออกไปข้างนอกไปเรื่อยเนี่ยมันคิดข้อธรรมออกนอกคือมันเริ่มาเทียบเคียวทําไมอาจารย์พิสดก็มีคนสอนก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นหลานก็ม well, ีเคาาแจํสออนขง พ่อแม่ครูบาอาจารย์โอว่าหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เต็ไมไปหมดเลยทําไมอ่ะเราจึงไม่ทําไมมีแต่กิเลสตัญหามีแต่อวิชามีแต่ทุกข์กระทุกข์ทุกข์กระทุกข์เท่านั้นน่ะเราก็เอาเนี่ยกรติดเกระจอเลยตอนนี้ยจิตตามมยปัญญายที่เราอ่านเราฟังมาเนี่ยว่าทําไมอ่ะเรารู้แผนที่การเดินทางจากกรุงเทพเราเนี่ยมาส่วนทางหลงตาบางม่วงแหละแต่เดินหลงทางไปหลงทางมาหลงทางไปหลงทางมาขับรถวนเลยไปตั้งเยอะนุ่นหลายกิโลนั่นน่ะต้องไปถามก็อยู่เรื่อยวนไปออกก็ไม่ถึงทุกที เนี่ยแต่ธรรมชาติเลยต้องหลงก่อนก่อนจินตามายาปัญญาบางทีเคราะห์แค่ฟังอย่างอ่านอย่างเดียวไม่ไม่บรรลุธรรมก็ต้องเนี่ยจินตามายปัญญามากลับติบจ่อพิเคราะเดินเดินก็พิเคราะห์นั่งก็วิเคราะ์เดินก็พิเคราะนอนก็พิเคาะกินก็วิเคราะ์อาบน้ําก็วิเคาะ์ทําอะไรก็พิเคราะ์วิเคราะหยี่สี่เจ้าโมยโว้แต่หลับไปพอรู้สึกตัวปุ๊พิเคาะพิเคาะ์วิเคาะ์วิเคาะวิเคราะห์เลยแต่เนี่ยมันก็จะจีจี้จีจี้เนี่ยเขาเรียกว่าจินตามายาปัญญาเสร็จแล้วมันก็เป็น ภาวนาปัญญปัญญาคือมันลงแก่ใจเป็นปัญญาที่ใจคือแ จ, แจง้งขึ้นมาที่ใจจริงว่อ๋อเหมืท่านเริ่มแจ้งแล้วแต่ท่านเริ่มเริ่มพูดได้แล้ว Dee, เนี่ยเมอก่อนเราพูดไปรู้เรื่องท่านไม่ค่อยรู้เรื่องตื้อๆอย่างเดียวแล้วก็ไปสร้างภาวะมาเลยท่านสร้างภาวะต่างๆขึ้นมาเลยเราพูดอย่างไรว่าท่านก็สร้างความคิดของท่านมาต้านไว้สร้างความคิดของท่านมาต้านไว้อะไม่เชื่อต้องเป็นอย่าง น, นี้ไม่เชื่ออะไรงน้งนีท่านก็จะสร้างความคิดของท่านมาต้านไว้แล้วท่านก็ตู้ไม่เชื่อไม่จริง นี่แเพราะอะไรท่าเทียบตัวท่านกับเทียบกับปองนะที่กระจกว่าทําไมเขารู้ทํานี่ขนาดนี้แล้วก็พูดทาได้แต่ทำไมเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าเทียบตลอดในใจทําไมท่าจะไม่เห็นเรารู้ว่าท่านเทียบอย่างนี้ในใจแล้วเทียบกับเทียบกับเราคําสอนเราไม่เชื่อไม่เชื่อพวกนี้บอกว่ารู้ทํำเราหมดแล้ก็จะทําไม่เห็นเป็นเลยไม่เป็นไรเราเห็นในชีวิประจําวันจะเป็นอย่างนู้ยังหลงอย่างนี้ลงอย่างนี้ท่านก็เทียบตลอดเวลานิดท่านก็เลยต้านต้านเราก็อึดอึดอึดไปเรื่องตอนนี้พอท่านเริ่ม เราให้อธ <là> so ิษฐานถอนเรายึ the we we ่งพูดเราเรามาสอนคนเยอะคนหก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ให้ถอนถอนอธิษฐานนี่ที่ตันตัไว้ไม่งั้นก็ไปไม่ได้ร่กคือมันจะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดมาเนีเราต้องรู้เองเดี๋ยวก็ได้เราต้องรู้เองเนี่มันไม่เอาเอ้ปัญญาจากการรู้การฟังการอ่านแล้วก็เอามาจินตาาปัญญาเอามาวิเคราะห์ในใจเราเจ็บจิตปวิบัณฑแต่เอาไว้ความคิดของเราไปวิเคราะห์เอาความคิดของเราไปวิเคราะห์คือเอากอเนี่ยมาวิเคราะห์เอายกมอวิเคราะห์เอาคนนั้นเอาคนนี้มาวิเคราะห์ เอาที่คนมาฟังธรรมเห็นฟังธรรมเรารู้เรื่องกลับไปแล้วไเห็นเป็นยังไงยังงี้ไม่ได้เรื่องเลยอีกอะไรเงี้ยเอาเอาไปวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ผิดเนี่ยเพราะอะไรวันนี้คุณจะเข้าใจว่าที่เขาเนี่ยฟังธรรมรู้เรื่องแต่เขากลับไปอาสวะหรืออนุสัยเดิมเขาสู้กิเลสไม่ไหวเออเขาเข้าใจแล้วสุตตามยาปัญญาฟังกันเยอะอยแล้วอะไรเยอะแล้วจินตามัจปัญญาขี้เกียจเอามาวิเคราะห์กับใจของตัวเองขี้เกียจเพราะอะไรขี้เกียจเพราะว่าอาสวะอนุสัย มันท audible, um. ิ้งหมดเลยกลับไปทิ้งหมดเลยฟังอย่างเดียวปัญญาอีกสองปัญญาคือจินตาปัญญาปัญญาที่มาวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ตลอดเวลาเนี่ยที่วิเคราะห์อะไรไอ้ผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดเนี่ยแล้วก็เออมันหลงอีกแล้วหลงไปหาไอ้สิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ไอ้สิ่งใดที่ถูกรู้เรียบอารมณ์หมดให้เห็นจิตแยกจิตกับจนกระทั่งแยกจิตกับอารมณ์ออกแยกจิตกับอารมณ์ออกจิตคือผู้รู้อารมณ์คือสิ่ พอรู้เสร็จพอคิดว่าเป็นอารมณ์เลยเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้มันก็จะเห็นคู่กันเนี้ยจิตพุทจิตเป็นสิ่งที่เป็นผู้รู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้มันเลยแยกแยกย่อยจิตกับอารมณ <kan> ์ออกพอแยกระหว่างจิตกับอารมณ์ออกตอนนี้เราเข้าหาอริยมรรคแหละเพราะอะไรถ้าเราเนี่ยไปรู้แต่อารมณ์มันเป็นการส่งจิตออกนอกไปส่งจิตออกนอกเพราะอะไรส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ก็เรียกว่าจิตส่งออกนอกหรือส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ผลแหง่งจิตส่งจิตออกนอกเป็นทุกข์นี่เราเดินทางเนยถ้าออกไปหาอารมณ์นะเดินทางในฝ่าย ท, ท, ท, ทุกข์กับสมุนไทยทุกข์กระสมุนไทยคือในฝ่ายทุกข์มันก็เลยเป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์กมากเลยก็เพราะว่าเดินทางเลือกเดินทางในฝ่ายทุกข์ที่เป็นไปนตามอาสวะอุสัยความเคยตัวเคยใจไปกับรูปรถกินเสียงสัมผัสดูหนงังดูละครเล่นเกมเล่นไลายเล่นอะไรตัวอะไรไปเรื่อยเฉยเลยดูยูทูบตอนนี้มันก็เลยหลงเลยหลงหนุ่มหลงสาวหลงอะไรไปเรื่อยเฉยตอนนี้ย มันก็คือหลงรูปหลงเสียงหลงก็งผฑ์หลงอารมณ์ตอนเนี้ยมันก็เลยเป็นนิสัยความเคยตัวเคยใจสบายดีกว่าวะอะไรมันแทนจะทวนก็าหายผู้รู้วะจิตคือจิตเนี่ยไอ้ผู้รู้คือจิตถ้าทวนปุบมันลาบากยากอยู่แต่มันก็ไม่ละความเพียนไปได้หรอกไม่ละความเพี้ยนไปได้มันก็เพียนเนี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรักที่ใ จ, ใจสังเกตอยู่ที่ใจมันก็เห็นได้ผู้รู้ที่เนี่ยผู้รู้ ผูรตนัขเนี่ยที่มันทนั้นโลภะเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารก็คือต้งรู้ั้งคิดพอไรู้ไปคิดก็มันก็เป็นอารมณ์แล้วก็มันอยู่ที่ผู้รู้ใหม่รู้มันก็ไปคิดก็เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แต่เราอยู่ที่ผู้รู้ตลอดนะเออมันก็เลยว่าพอไปรู้พวกไปคิดก็ทิ้งเลยแล้วก็รู้อันใหม่เรื่อยไปพพอรู้ปุ๊บมันไปคิดไปมีอารมณ์ก็ทิ้งไปเลยรู้ปุ๊บมก็รู้อันใหม่เรื่อยเรื่จุบ่าเห็นจิตปัจจุบันละจิตปัจจุบ มักก็คือการเติบัต่เนี่ยมักอริยมักมีทางนี้ทางเดียวที่จะรบรรลุมักผลที่ผานได้ไม่ปฏิบัติตามมักไม่มีทางพ้นทุกไปไปไม่ได้แม้แต่สวนดาวบานก็ไปไม่ได้ที่พุทธเจ้าตัดถ้าไม่เนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าหาอริยมักไม่มีมักพุทธเจ้าตัดเลยต้องมักมักก็คืออะไรเนี่ยที่จังกล่าวเนี่ยเห็นจิตอย่างแจ่มแ จ, จ้งเป็นมักเห็นจิตเห็นจิตเห็นจิตแจ่มแจ่มแจ่มได้ผมก็ต้องแยกระหว่างจิตกับอารมณ์ที่ถูกรู้ได้ ไม่งั้นคุณก็มั่วไปแต่อาการของใจอาการของใจอาการของใจอาการของใ จ, าางใจทุกช น, นิดเป็ น, เ ป, นเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้หมดเลยแต่เป็นจิตที่จิตไปรู้อารมณ์ปุ๊บเสี่ยวทีเดียวมันรู้เสร็จมันคิดต่อเลยภูกใจไม่ถูกใจจำได้หมารู้แล้วก็คิดปุงปุงคิดพูดพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ที่มันพูดรู้อะไรแล้วมันพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวบ่นมันกลายเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แต่เราไม่สนใจเราไม่ถูกรู้กันเรรู้ไอ้จิตผู้รู้อันใหม่คือ เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นผู้รู้อันใหม่คือไอ้ผู้รู้อันใหม่พูดใหม่อยู่ตลอดเวลาไอ้ผู้รู้อันใหม่พูดใหม่อตลอดเวลามันเลยกลายเป็นจิตเห็นจิตเป็นแจ่มแจ้งทีนี้ก็คือคุณแยกออกระหว่างว่าอารมณ์ที่ถูกรู้กับจิตเนี่ยทีนี้มันคุณแยกออกได้ว่าอะไรเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้กับจิตคุณแยกจิตกับอารมณ์ได้แล้วคุณถ้าคุณหลงอารมณ์เป็นจิตสออกนอกแต่ถ้าคุณจิตเห็นจิตเป็นมัดเป็นอริยมัดเพราะในจิตเห็นจิตเป็แจ่มแจ้งเป็นนิโรธเนี่ยนิโรธคือความบรรทุกข์คือความดับทุกข์ได้ทั้ ที่ท่านกล่าวว่าพุทธเจ้าตรัสสอนว่าใบไม้ทั้งป่าใหญ่เนี่ยเอามาสอนอยู่ใบเดียวเพราะว่าแค่ใบเดียวก็ยังทำมันไม่ทันแล้วชีวิตมันสั้นนะคือใบปะดูลายหยิบใบปะดูลายมาหนึ่งใบแล้วก็ถามพระสาวกว่าใบไม้ทั้งป่าใหญ่เนี่ยกับใบปะดูลายในมือเนี่ยใครมากกว่ากันพระสาวกก็ว่าโอ้ยใบไม้ทั้งป่าใหญ่ไม่ต้องมากหรอกใบปะดูใบใบปะดูลายในมือของโมมีใบเดียวนี่ยนั่นแหละสิ่งที่เราจะถากคนตัดสรู้เนี่ยเท่ากับใบไม้ในป่าใหญ่แต่ที่เอามาสอนเนี่ย แค่อริยสัตตเท่ากับใบไม้หนึ่งใบรู้ใบไม้หนึ่งใบเท่ากับรู้ทั้งป่าใหญ่เพราะมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันพุทธะคือจักรวาลที่ว่างเปลา่าเป็นพุทธะอันเดียวกันอันรู้แค่ใบไม้ใบเดียวคือที่หลวงปู่ดูลย์นามัติ อ, ดดอตุโลอมาเอามาสรุปว่าหลวงปู่ดูลย์ตุโลม า, ลมาสรุปว่าจิตส่งออกนอกไปสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจง่มแจง้แจงเป็นมรรคผลในจิตเห็นจิตจิตอย่างแจง่มแจง้แจ ง, จงเป็นนิโรธ เนี่ยแค่นี้เองแต่คุณจะเห็นตรงนี้ได้คุณต้องแยกเรืจิตกับอารมณ์ที่ถูกรู้ให้ได้เพราะถ้าคุณแยกจิตกับอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทําอารมณ์คืออาการในใจทุกชนิดเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้หมดผู้รู้คือจิตดงนั้นคุณต้องพบผู้รู้สั ก, ก่อนพบผู้รู้จิตเห็นจิตเห็นแก่แยกต้องพบผู้รู้ให้ได้สั ก, ก่อนนี่คือตัวสําคัญแล้วท่านได้กล่าวว่าพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้ ที่หลวู่ดุ้นัตุโรวะพบผู้รู้ข้าผู้รู้ต้องพบผู้รู้ซะก่อนให้ได้แล้วพบผู้รู้ข้าผู้รู้หรือหลวงปู่ลาเก็บว่าปะโตหรือหลวงตามหาบัวว่าพบผู้รู้ให้ปล่อยวางผู้รู้เมื่อปล่อยวางผู้รู้จึงเป็นนิพพานเนี่ยนี่คือทางเดินของอริยมรรตนั้นบรรจุที่พวกเรารู้กันหมดแล้วแต่ปัญญามันมีสามไงคือฟังเนี่ยไม่แค่แค่ฟังเฉยฟังแล้วคุณก็เอาไปไปสังเกตกับติดจดจอจดจอกับติกว่า เว้ยมันหลบไปอารมณ์นี่วะเนี่ยมันส่งจิตออกนอกเว้ยนี่เว้ยมันมันจิตเห็นจิตแต่งแจ้งแจ้งเว้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนผู้รู้ปัจจุบันจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันที่เราโดนพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วปู่ท่านอาจารย์รู้ธรรมโหวานแล้วเว้ยเอ้ยังไม่อดีนไม่ใช่เหรออดีนไปทำเมาไม่ใช่เหรออนาคตไปทำเมานี่ยมันต้องเห็นจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันรู้เห็นจิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันเนี่ยสติตั้ง ไม่ได้ปรู้ทําอะไรนะรู้สู้ๆเฉยๆรู้สู้ๆพอไปอดีตปุ๊บโดนตวาดเลยมั้นไออารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วไอผู้รู้ตัวใหม่เปจิตปัจจุบันพอปจิตัจจุบันแป๊เดียวเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้พอรู้ปุ๊บเป็นอดีตมารู้จิตปัจจุบันมันเลยรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันมันเลยละอดีตได้ละอนาคตได้และก็ละอารมณ์ได้ทั้งหมดเลยคือละรูปละเสียงรู้ลาจิตละรสละสัมผัส ละทุกหมดเลยละกับสุนัยละร่างกายและละอาการใงใจได้เกลี้ยงเลยเหลือแต่รู้นี่แน่พระพุทธเจ้าตรันทั้งหลายอยู่กับรู้ที่สิ้นการยึดมั่นถือมันเมื่อฟังอย่างนี้ก็ได้แค่สุตตมยปัญญาแล้วก็ต้องไปกินตมยาปัญญาคือเอาไปกัดติดจุดจอดจดจอกัดติดเห็นว่าทําไมเขาสอนมาหมดแล้วเราเขาฟังมาเข้าใจหมดแล้วแต่ทํำไมในใจมันยังไปอยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้ยังยังยังเดินทางในฝ่าย ในฝ่ายทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยคือทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์คือไปหลงอะส่งจิตออกนอกตลอดอะเพราะว่าส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้่ามันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่เราทําไมเป็นเรื่องเดินทางฝ่ายสมุทัยคือส่งจิตออกนอกไปไปหาสิ่งที่ถูกรู้ตลอดเลยเราก็เลยเดินทางในฝ่ายทุกข์ตลอดทั้งชีวิตพอตายแล้วก็ไปเป็นทุกข์ต่อยตายแล้วก็ไปทุกข์เอยไปทุกชาติเราทําไมไม่เดินทางทวนกระแสเข้ามามาฝ่ายผู้รู้คือจิต จิตเห็นจ да, ิตปัจจุบันจิตเห็นจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันรู้จิตป ah ัจจ ah, ุบันละจิตปัจจ ah, ุบันร <un> ู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันิจุบันนมีแต่แท่นี้เองที่เป็นธรรมนอกจากนี้ไม่มีอะไรเป็นธรรมพอะว่าเราเอากินตามพยปัญญามากัดจิตจอดๆจอดๆกติเนี้ยจนกระทั่งมันแจ้งที่ใจเป็นจริงคือพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ก็เป็นภาวนาพยาปัญญาเนี่ยจึงเป็นปัญญาสามตาปัญญาขันแคร์คัฟังคันอ่านแครเรียนรู้ทั้งหมดเข้าใจมา ท่านจตาิตมาภยปะปัญญาคือเอามากัดติตจอดๆกับใจของเราจริงๆในใจของเราจริงๆไม่ใช่ว่าไปเอาทำอะไรมาคิดไปเรื่ อ, อยงั้นไม่ใช่คือภาวนาไอ้ออจิตนาภิยปัญญาคือมากัดจิตจอดๆจอกับจิตเราจริงว่าทําไมล่ะเขาสอนมาขนาดนี้รู้มาขนาดนี้รู้หมดทุกอย่างแล้วทําไมเราจึตไปอยู่กับทรงจิตออกนอกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้มันก็เราเดินทางในฝ่ายของเออทุกตลอดทุกขตุมุทัยตลอดเลยเพราะว่าทรงจิตออกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้มันก็เป็น มันก็เป็นทรงติตออกนอกแล้วเป็นเดินทางในฝ่ายสมุทรไทยกับทุกสมุทรไทยกับทุกทําไมเราไม่เดินในทางในทางของมาร์กันนิโรธอริยมาร์กอริยผลอริยมาร์กอริยผลเราต้องเดินทางอริยมาร์กริยผลเนี่ยเพราะเนี่ยก็ปรมาติดเจดจ่อแล้วก็อยู่ที่ปุรุละปุรุอยู่ที่ปุรุล้วะละปุรุไปเรืยในปัจจุบันรู้ที่ปุรุปัจจุบันละปัจจุบันอันนี้ถ้าทางถ้าเกิดฟังหลวงตาผู้ตายเนี่ยเรื่องสุตตานิยปยาจินตานิยญยา แล้วก็ภาวนาเมยปัญญาเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้เคยฟังที่ไหนที่มันออกเป็นแนวแนวแบบนี้ถ้าเกิดรวบยอดเนี่ยพู ด, ดง่ายๆเลยก็คือปริยัตอปิบัติปฏิเวศก็ลงตรงนี้เหมือนกันกใช่ไหมฮะปริยัติก็คืออ่านมาฟังมาเรียนอ่านฟังอ่าครับ แล้วต่อมาก็คือปฏิบัติก็คือปฏิบัติกระจเรากระจเราแบบกติดจรดจราจริงๆครับนี่คือแล้วพอมันแจ้งเป็นภาวนาแม่ปัญญาก็คือปฏิเวทปฏิเวทใช่ไหมก็คือสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสสิ้นความหลงไปไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้ครับครับโหมันมันมันก็คืออย่างนี้เลยจริงๆก็คือปริยัตปฏิบัติปฏิเวทต้องครบสามนะถ้าถ้าปริยัติสอบได้อย่างเดียวมันมันก็ได้แค่แค่ เรียนรู้เป็นสุดแต่เป็นสุดต่ม่ ย, ยัญงยแค่เรียนรู้สอบได้ครับแต่มันยังไม่เป็นปฏิบัติครับปฏิบัติคือสติตัวเดียวออืปฏิบัติคือสติตัวเดียวสติตัวเดียวเนี่นแหะคือปฏิบัติต่อให้เดินจงกรมนานเท่าไหร่ก็ตามนั่งสมาธิหลับตานานเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่มีสติ่หลุดหมดเลยจลุดไปหาอารมณ์ไม่ถูกรู้หมดก็มีสติอันเดียวสติอันเดียวที่ท่านข่าวว่าสติหายสมาธิหายปัญญาหายทำหายเป็นทุกสติมีสมาธิมีปัญญามีทำมีไม่ทุก สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นนิพพานพ้นจากทุกปติอันเดียวก็ไม่หลายไม่ต้องเอาหลายที่หลวงปู่จุมพันธุโลถามหลวงปู่ม่านพี่นึกโตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสมาธิเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสมาธิอิ่วหรือไม่มีสมาธิหลวงปู่ม่านบอกว่าอย่าดูที่สมาธิให้ดูที่สติถ้าสติมีสมาธิมีถ้าสติไม่มีสมาธิไม่มี สติก็ต้องเป็นสัมา living, material, material, material, สติด้วยก็ติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจถ้าสติไปตัง prayed, ้งที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสที่อารมณ์จบเอเลยเดี๋ยวทรงจิดออกนอกสติสต้อง ต, ต, ตั้งที่ผู้รู้สติต้องตั้งที่ผู้รู้ที่หลวงู่ทาทั้งว่าผู้รู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่ไหนผู้รู้อยู่ที่ตั้งสติอยู่ที่ไหนผู้รู้อยู่ที่นั่นผู้รู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับผู้รู้มันอยู่ด้วยกันนี่ไง สติไม่ได้อยู่ที่ไหนนะสติไปอยู่กับผู้รู้นี่ไงนี่นี่นําคัญมากเลยเนี่ยสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะแต่สติกับผู้รู้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ใช่ไปรู้ตรงไหนหรอกรู้ตรงไอ้ผู้รู้นี่แหละสติกับผู้รู้มันอยู่ด้วยกันเพราะไม่มีสติจบเลยเลยลเนี่ยขาดไปหมดเลยเข้าใจไหมครับหลวงตาก็คือจริงๆ ตั้งแต่ก่อนนะครับผมก็ศรัทธาหลวงตามาตลอดนะฮะแต่ก็สงสัยในคําสอนหลวงตาพอฟังแล้วมันไม่จบไม่สิ้นก็คือบางทีเราเราก็คือผมจะแอบหาคําตอบให้กับตัวเองตลอดนะครับว่าที่หลวงตาสอนแต่ละคนเป็นยังไงแต่ภายหลังเนี่ยมันก็ยังสรุปไม่จบจนมาวันเนี้ยผมก็ฟังแล้วผมสรุปจบแล้วว่าอ๋อที่หลวงตาสอนนี้พอมีเพราะว่าแต่ละคนหลวงตาก็จะพิจาราดูจาก ประวัติที่มาที่ไปแล้วก็เขาควรจะเข้าใจธรรมระดับไหนหลวงตาก็จะเมตตาสอนให้ที่มันเหมาะกับแต่ละคนแต่ละจริตนะครับแต่บางอย่างผมก็รู้สึกเอ๊ะนี่หลวงตาเข้าใจธรรมคือเข้าใจยังไงแต่แต่้เรื่องที่ว่าเข้าใจด้วยปัญญาหาทางตรงแล้วกลับมาปฏิบัติอีกทีเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจมาก่อนนี้แล้วฮะตอันนี้มันเหมือนมันมันเข้าใจจนหมดนะครับแล้วก็ตัวเองอ่ะได้เข้าใจธรรมตัวที่หลวงตาบอกว่าไอ้เห็นเห็นที่พูดอยู่ข้างในอ่ะครับแล้วก็ พอพอเห็นที่พูดอยู่ข้างในเนี่ยผมผมยังมองว่าการปฏิบัติเนี่ยพอมันเห็นที่พูดอยู่ข้างในแล้วมันก็ถ้าเราเอาไอ้ความรู้ความเฉลียวฉลาดที่เราส่งออกนอกเราฟังอะไรเนี่ยมาพิจารณากิเลสตัณหาของตัวเองในปัจจุบันนะครับหลวง้นมันจะรู้เห็นไม่หมดเลยว่าอ๋อเรามีอารมณ์ต่อสิ่งนี้เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือตัวไอ้ตัวผู้ภาพมันก็วุ่นวายและยิ่งเฉลียวฉลาดอ๋อเราต้องไปวังอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงตาอันเนี้ยมันมันก็ยิ่งทําให้เราเห็นกิเลสตัวเองละเอียดมาก เห็นเเห็ น, หนแล้วมันเฉลียวฉลาดขึ้นเรื่อยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบนี่เราต้องมาทําความสงบแล้วต้องพิจารณาอะไรเงี้ยมันคนละเรื่องกันเลยมันก็จี๋ทำมันไปเลยครับก็เลยเข้าใจแล้วมันก็ลงแก่ใจมากขึ้นนะครับหลวงตาคือออันนี้ผมกราบหลวงตาก่อนนะกราบขอข้ามาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใชครับผมศรัทธาหลว ง, งตาแต่ฟังแล้วมันไม่เข้าใจจริงครัมันนึกภาพออกตาไม่ทันคือบางบางครั้งผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขายังมีความไม่เข้าใจเอ๊ะหลวงตาบอกถูกถูกถ อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผมก็จะอเอมันก็คงจะเป็นคือเหมือนกับว่าความเข้าใจที่มันถูกมานิดหนึ่งแล้วก็ต้องก็ก็ถูกแล้วเขากลับไปปฏิบัติต่อมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกถึงที่สุดแต่อย่างบางคนที่สามารถอย่างทางพิเตอร์หรือว่าทางคุณหมอสุภาชัยเนี่ยมันฟังแล้วจนจบสุดสายเลยคือเขาเขาพร้อมแล้วเขาก็ฟังจนจบได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเพียนทําให้มันจบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงนี้เราเข้าใจแล้วก็จะมีอีกอันนึง ที่หลวงตาเพิ่งมาบอกผมเพิ่งมาบอกกับทุกคนได้ทราบว่าการที่ไล้ไล่ไล่ไล่ไปแล้วหลวงตาก็ได้บอกครั้นึงแล้วว่าจนเข้าตันเข้าไปไม่ถูกแล้วเขาก็อุย้ยยอมไปเลยพอยอมปุ๊บเขาก็จะเข้าใจด้วยจิตตัวเองด้วยว่าอ๋อนี่มันคือการหลงปรุงแต่งคือส่งจิตออกนอกมันไม่รู้จิตปัจจุบันแล้วมันตามตามความเคยตัวเคยใจที่เขาเคยเข้าหนึ่งก็คือเขาจะได้ไประโยชน์ก็คือว่าเขาก็จะรู้ได้รู้ว่าอันเนี้ยการหาอย่างเนี้ยมันคือความปรุงแต่ง ก็ได้แค่รู้ปัจจุบันละปัจจุบันสองเขาก็จะได้รู้วิธีการอื่นๆที่เขาไปติดด้วยก็เหมือนกับหลวงตาก็เลยหลวงตาบอกว่าอย่างนี้มันก็จะหลุดไปเยอะแล้วก็คือว่าเขาก็จะรู้วิธีการภาวนาเนี่ยได้เยอะกลับไปทําเองที่บ้านได้นะก็คือตรงนี้มันลงะใจหมดทุกอย่างก็เหลือแต่ตัวเองภาวนาให้มันรอดนะครับโหนายเป็นเนี่ยมัรู้อยู่แล้วเนี่ยก็คือสุตตายปัญญาก็รู้แล้วก็จิตตาปัญญาก็กลับติดจดจออ่อเขา ปติจจจัทําความเพี่ยนที่เป็นสมาธิติก็สติก็ชอบเองเนี่ยสมาธิก็ชอบปัญญาก็ชอบแล้วกนเนี่ยจเจอกระทั้งเป็นภาวนาไมยปัญญาคือปริยัติรู้หมดแล้วแต่ก็มาลงมือปฏิบัติแล้วก็จะเป็นปฏิเวทปฏิเวทคือสิ้นกิเลสเสิ้นกิเลสสิ้นทุกมันประมาทไม่ได้ผู้หญิงอ่ะรอรอเขาเนี่ยไม่ได้หรอกที่สุดอ่ะไม่ทันมันจะเหมือนกับหลวงปู่ ม, ม่านเน่ะที่ภรรยารอร อ, อไม่เป็นไรล้วก็ตามตามกันไปอ่ะ อยู่หลวพูมม่านบรรลุอรหันต์ปุ๊บอ้าวทำไมอย่างงี้หรอจะไม่มาเกิดเลยชาตินี้นึกว่าอย่างไรก็เดี๋ยวก็ต้องาเจอกันเดี๋ยวดีหลวงูม่มานบรรลุอรหรันต์เทว ด, ดาประกาศกกกล้องไปทั่วสาุการไปทุกตะวนันเชิฟ้าเลยว่าบัดนี้หลวงู่ม้านบรรลุอรหันต์แล้วหลวู่มานบรรลุอรหันต์แล้ ว, ล แ, ลวแค่นั้นนะพลายาได้ยินอ่ะโอ้โหร้องอมร้องไห้เอาไมาทิ้งกันกลางคันนะ่ยเห็นไมร้องไห้เลยเนี่ยเพราะว่ามัวแต่รอว่าเออไม่น่ั เดี๋ยวเรารอเขาก่อนอะไรเนี่ยอะไรอาวรโลกอะไรอาวรพบชาติอะไรอาวรนเขาที่สุดอพอกับพริกปุ๊บผู้ชายอ่ะมันเร็วไงเออพอพอเลยปุ๊บเขทิ้งไปก่อนเลยเขาไปก่อดได้เลยเพราะอะไรผู้หญิงเนี่ยมันติดอะไรอาวรเวลามีครอบครั ว, วก็อะไรอาวอนครอบครัวพอมีลูกก็อะไรอาวอลูกอันนี้เขาเรียกวอะไรหว่วงผูกลูกเหมือนว่วงผูกคอแล้วอะไรอาวรสามอะไรอาวอสามีเนี่ย สามีอะไรอวาสามีภรรยาเหมือนไอ้ไอ้ปอผูกศอกห่วงผูกสอกเหมือนถุกสันพิพาสษาใส่กุญแจมืออะไรอวาในตําแหน่งราบยอสมบัติพัฒนสถานบ้านช่องเนี่ยอันนี้คือเหมือนห่วงผูกเท้าหรือเหมือนสุสกสันพิภาสษาตีโซ่ต่วนเกรงเกรงเกงหลากไปเลยห่วงสามห่วงเนี่ยที่ผูกสับทั้งหลายให้เรียนตายเรียนเกิดทุกโศกเศร้าเสียใจน้ําตาไหลเนืองนองหลุดท้องทะเลมาสั้งหมดไอ้พ่อห่วงสามห่วงเนี่ยรูกพ้นห่วงผูกคอสามีภรรยาเหมือนห่วงผูกศอกเนี่ย ห่วงสมบัติประนานตําแหน่งรับยศบ้านช่องต่างๆเนี่ยเหมือนห่วงผูกเท้าพุทธเจ้ารตัดว่าห่วงสามห่วงเนี่ยเหนียวกว่ากุญแจมือและโซ่ตวนของของที่เข้าพิาพาทษาอีกเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอุธเจ้ารตัดว่าแม้แต่กุญแจมือที่ทำได้เละกาอย่างดีโซ่ตวนทําได้เละกาอย่างดีเหนียวที่สุดในโลกแต่เมื่อเวลาพ้นโทษกบกําหนดต้องถูกปล่อยออกแต่ห่วงสามห่วงเนี่ย เป็นห่วงที่ผูกย่ย่อนแต่แกข้ามภพข้ามชาติแกได้ยากที่สุดแต่ผู้หญิงเนี่ยติดมากที่สุดผู้ชายเนี่ยเวลาเขาพิกเนี่ยบรรลุอรหันต์เลยดังนั้นเราเห็นผู้ชายหลายท่านที่บรรลุอรหันต์ในขณะที่มีครอบครัวมีลูกมีเมียแต่ผู้หญิงเนี่ยยากมากเลยที่เราแทบจะไม่เห็นเลยผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วบรรลุอรหันต์ได้ยากมากมากเพราะว่าอะไรมันเอาใจไปฝากไว้กับเขาหมดไปห่วงเขาหมดที่สุดอ่ย ผู้ชายเขาหนีไปหมดแล้วเราก็ไปเต้งเต้งลอยไปเหมือนกับอดีตภรรยาของของหลวงปู่มาโตนเนี่ยพบชาติเก่านะไม่ใช่พบชาติปัจจุบันท่านไม่มีพบชาติปัจจุบันไม่มีพบชาติเก่าที่มาจะมามาต่อว่าท่นานเราจะวันจ ะ, จะเป็นอย่างนี้นะลอยเต้งเตงเออเราบอกแล้วเนี่ยเราเคยพูดอยู่เนี้จะไปไ ป, ไ ป, ไปยึดเขาไปยึดเขานะเวลาเขาพลิกปัญญาขึ้นมาเนี่ยตามเขาไม่ทันนะตามไม่ทันด้วยแล้วไอ้พวกนี้มารอกันไม่ได้ด้วย พองัญญาเขาเดินหน้าเดินหน้ารุดรุดรุรมารอกันไม่ทันอ่ะเขาไปหน้ารุดเลยอ่ะเออวางใจไม่ได้เลยแล้วก็ดูไปขาดแล้วอนันตการลอยเต้งๆไปครับพบข้ามชาติอนันตการเลยแล้วเห็นเห็นหลายคนแล้วผู้ชายบรรล้อรหันต์เป็นแถวเลยที่มีลูกมีครอบครัวแล้วก็ปฏิบัติได้แต่ตะวันกระลาวนอะแต่ละองค์นั่นที่บรรลุอรหันต์เนี่ยมีครอบครัวแล้วออกมาเนี่ยคือปฏิบัติได้แต่กระลาวแล้วปู่คาตันที่ตธรรโมก็เหมือนกันนี่ก็มีครอบครัวแล้วออกมาจนแก่แล้วก็บรรลุอรหันต์ไปอย่างหลวงปู่แฟ้ เนี่ยลูู่แฟบก็บรรลอรหันต์ลูู่แฟบนี่ก็ลูกชายแล้วก็โตแลเป็นเจ้าวาดรู้จักกับเราแต่ลูกู่แฟก็ปฏิโยรับบบบรรลรหนแล้วหลายองค์มรรูุอรหันต์เป็นแถวเลยที่มีข้องควแล้วแต่ผู้หญิงไม่เป็นไม่ปรากดเราฝ่ายภรรยามรรลุอรหันเลยไม่ปรากดเราฝ่ายภรรยาบรลุอรานเลยแต่ฝ่ายผู้ชายบรรู้อรหนต์หมดเลยลูปู่ลกปู่ต่างๆเนี่ยมีข้องควมีลูกแล้วทั้งนั้นแหลรหันหมดเลยแต่ไม่ปรากดฝ่ายภรรยาบรรลุอรหันแม้แต่องเดียวแต่ไม่แต่ท่านเดียว อ้อยไล่แจ็คมันเดินเดินเดินมันกับติดจอดจ่อกับติดจอด่อมันเป็นจินตามายาปัญญาอยู่เนี่ยเฮ้ยเข้าท่าไว้อะไรเงี้ยทำนิดมันเริ่มจากสุตตมยาปัญญาแค่ฟังแค่แค่ฟังแค่อ่านมาพอเข้ามาเป็นจินตามายาปัญญากับติดจอดจ่อกับติดจอดจ่อพิณาวิเคราะห์อยู่ในใจของเราแล้วไอ้นี้มันเข้าเริ่มเข้ากระแสแล้วถ้ากับติดจอดจ่อจอดจ่อเข้าเข้ามาไอ้ตรงนี้แหละมันกลาจะเป็นภาวนาไมยาปัญญาได้แหละเพราะว่าหลวงปู่อว่านี่ยท่านบอกว่าเราปัญญาน้อย เรากัดติดจดจ่ออยู่สี่วันสี่คืนสี่วันสี่คืนระเบิดโลกกระแทไปรรลุอารานไปเลยแล้วเนี่ยพอลองเข้ามากัดติดจดจ่อจริงๆอ่ะวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ในใจเราจริงๆอ่ะเทียบเคียงกับที่เราอ่านเราฟังเรารู้มาเนี่ยโอ้โหไม่ มันต่อเนื่องไปกาสายมันจะรู้เลยว่าโอ้ยมันมันหลงยังไงว่าเฮ้ยหลงไว้หลงไว้หลงไว้หลงไว้มันจะรู้เลยว่าหลงไปยังไงมันจะเห็นหน้าหลงหมดมันไม่ใช่ว่าเห็นหน้าไม่หลงนะมันจะเห็นหน้าแต่หลงเนี่ยก็ไม่หลงมันไม่เห็นหลังเออมันจะเห็นหน้าแต่หลงหลงแล้วก็วางไปหลงแล้วก็วางไว้หนึ่ก็หลงอีก้วก็วางไปหลงแล้วก็วางไปต้องต้องนั่นเลยต้องหลงแน่นอนเออต้องหลงแน่นอนเออแล้วก็วางไปหลงแล้วก็วางไปหลงแล้วก็วางไปหลงแล้วก็วางไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ล้มแล้ววางไปล้มแล้ววางไปไม่ะ ล้มแล้วลุกขึ้นมาล้มแล้วลุกขึ้นมาล้มแล้วลุกขึ้นมาล้มแล้วลุกขึ้นมาสุดท้ายเด็กคนนั้นก็มาเป็นพวกเราเดินได้บินได้แต่ถ้าล้มแล้วไม่ลุกอีกต่อไปล้มแล้วไม่ลุกล้มแล้วไม่ลุกมันก็เดินไม่ได้แหละนั่นแหละมันล้มแล้วรีบลุกรีบรู้าันแล้วมาวิเคราะห์เหย่อว่าจะทําล้มเอ้ยลงมอีกแล้วเว้ยเอ้ยหลงอีกแล้วเว้ยหลงอีกแล้วเว้ยหลงอีกแล้วเว้ยเอ้เราวิเคราะห์ไม่เลิกลาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันหมดหน้าหลงเลยคือหลงจนหมดแล้วอ่ะแล้วก็็้้้ททันนนนนจจหหหมมมดดดลลววาาางยสสติิปปญญี่เ เป็นมหาสติเลยจะเป็นมหาสติมหาสวัสิปัญญาเนี่ยแน่อย่าพอมาเพราะว่ายังปอคับหมอเฟิร์สนี่ยังอยู่ในขั้นที่เป็นปัญญาอยังเป็นสุดตมยปัญญายังไม่เป็นกัดติดจดจอยังไม่เป็นภาวันยังไม่เป็นเนี่ยอินตามย์ปัญญามันจะข้ามไปภาวนามยปัญญาไม่ได้มันแค่สุดตรมยปัญญามันจะกระโดดข้ามไปเป็นภาวนามยปัญญาไม่ได้ที่โอว่าทําไมมันสงสัยสงสัยพวกนี้พวกนั้นโนนนี่มาฟังก็เพราะว่ามันเป็นแค่สุดตมยปัญญาแล้วอยู่ๆจะกระโดดข้ามไปเป็น ภาวนาปริยัพปัญญามันไปไม่ได้มันคือปีแต่รู้แต่ปริยัพแต่ปฏิบัติมันยังไม่เป็นแล้วจะไปเป็นปฏิเวกกโดข้ามไปเลยอย่างนี้มันไปไม่ได้มันต้องรู้ทั้งปริยัพแต่แล้วมาปฏิบัติกับติดจอดจจอกับติดอยู่ในใจแล้วเราเป็นยังไงว่าทำไมถึงมันเป็นคนทุกข์กับเขารู้รู้มาหมดนะทุกอย่างทำไมไม่คนทุกข์มันเป็นยังไงอะไรเลยมันกับติดจอดจอจจอกับติดมาเลยอย่างเนี้มันถึงจะเป็นภาวนาปริยัพปัญญาได้แล้ว ไปแก่ปริญาณรู้มาแล้วกรโดดไปเลยไปปฏิเวทเลยมันยังไม่ลงมาปฏิบัติเลยมันไม่ได้หรอเพราะเนี่ยผมบอกว่ามันยังไม่เป็นกับติดจดจอจดจอกับติดธรรมาเทียบเียาในใจตลอดเวลานั้นยังเป็นแค่จาได้และอ่อเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจใจพูดได้เข้าใจพูดได้เข้าใจพูดได้สมไมโอทึงเห็นบอกว่ายังไม่เองก็ไปยังไงเถอะบอกว่ามันเป็นแค่สุตตมยปัญญาเพิ่งจะเริ่มเข้าเข้ามาในหน่อยเขาบอกเพราะว่าไอ้กินตามยปัญญา ใน้น่อยคือเริ่มเข้ามาปฏิบัติในใจบ้างๆแล้วก็ลงหลุดลงหลหลุดหลุดลงหหลุดหุอย่างเงี้ยมันทิ้งทิ้งบาวมีนาตลอดไปกัดติดจด จ, จ, จอ่อคือมั น, นก็เต็มที่เราอลยแต่ก็ไป็ว่ามันจะซิกกะ้นก็สิ้นแต่ก่อนจะสิ้นแล้วก็ใช้จะเต็มแนมะ็กช่วยช่วยเต็มที่ช่วยพระพุทธเจ้าช่วยสื่อแพ่ธรรมพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่แล้วอย่างเนี้ยมันก็เล่น ท, ทาหนังสือเร่งอัดเสียงเร่งทําเล่นอะไรเนี้ย อ, อ, อัเราก็เชื่อว่าก่อนเราจะสิ้นถ้าถึงตากาหนดเวลา ก็มาเรื่องมีมีเยอะมีไฟล์เสียงมีหนังสือออกมาคบไะคือเราก็ช่วยในชอบที่เราช่วยช่วยเต็มที่กําลังความสามารถเราเนี่ยแต่ถ้าทุกคนไม่ช่วยตัวเองอ่ะก็ไม่ไม่มันก็ไม่รู้จะทําไงแล้วเราก็ช่วยเต็มที่แต่บางคนก็ไม่เอาเนี่ยเราก็ต้องยอมยอมไปจริงไปแต่เราเห็นคนไหนคนไหนเอาจะยังไงก็ก็ต้องคนไหนที่เอาจริงอ่ะมันก็ต้องได้จริงไะเหมือนหลวงพุทธาว่าเอาจริงไหมอ่ะเอาจริงไหมอ่ะ เอาจริงคนจริงทําจริงยอมรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงเพราะว่าเรากลเวลามันเหลือสั้นนักอะ่ะเราก็ทําำเต็มที่ของเราเหมือนกับคนที่หมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรเนี้ยเวลามันสั้นนะักชีวิตเราที่เหลือจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราและเป็นประโยชน์ต่อผูอื่นเราก็เร่งมันจนถุดความสาสมารถเพราะว่าเวลามันเหลือสั้นนะเราต้องทำแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่นานประโยชน์ตนภายตนคนทุกคนช่วยเหลือกุศลอื่นจนกว่าชีวิตจะหาไม่นี่คือสิ่งที่เกิดมาคือประโยชน์สูงสุด ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านตามบุทธศาสนาที่ต้องการที่วิเชียรต้องการเราก็ได้ทําจนถึงที่สุดเลยเพราะเนี้ยความจะสิ้นก็ไม่มีความหมายมจาสิ้นมา่อไรก็สิ้นไปเพราะว่าการมีสังขารอยู่เป็นทุกสังขารกายก็เป็นทุกสังขารจิตก็เป็นทุกเป็นดับดับเดี๋วก็คิดดีคิดไม่ดีคิดนันคิดนี้เดี๋ยวก็สบายใจนไม่สบายใจนั่งสบายกายไม่สบายกายสบายใจไม่สบายใจเพื่อจะเป็นนี้ตลอดเวลาสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เนี่ยนี่คือธรรมชาติของความไม่เที่ยงที่บังคับไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ก็ทําประโยชน์สูงสุดนะไมันก็เร่งปฏิบัติกันเข้ามันไม่แน่นอนหรอกอยู่ที่ผู้โบรานทั้งหลายเอะย่าอยู่เป็นอยู่ด้วยความประมาทไปรู้ว่าเราอยู่อีกนานเราจะตายอีกนานไม่แน่นอนไม่คยแน่นอนกเพราเไม่แน่เราที่เราเห็นว่าโอ้ยคนเนี้ยก็ไปต้อไปก่อนเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะอยู่ก่อนเราจะเด็กว่าแหละพอคนมาอะไรแนละ้ววันก่อนมาก็บอกว่าอยู่เท่าไหร่อ่ะยังไม่ไเร่งทาความเปลี่ยนเพิ่งจะหกสิบเองเมื่อวานเนี้ย อายุเท่าไหร่นะบอกว่าผมยังมีเรื่องมากมายจะต้องไปทํามันยังไม่มีเวลาปฏิบัติหรอกยังมีเรื่องไปทําอีกเยอะไอ้เรื่องที่ไปทำอีกเยอะผมอายุยังน้อยบอกเลยนะผมอายุยังน้อยที่อาเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบกว่าก็อกสิบแหละบอกอายุยังน้อยโอ้เห็นไหมคนประมาทมา ก, มากอายุแค่หกสิบแล้วบอกว่ายุยยังน้อยยังมีเวลาที่จะต้องไปทําอย่างอื่นอีกเยอะโอ้ยเราเห็นมาเยอะแล้วอายุที่บอกว่า น, น้อยน้อยอ่ะสุดท้ายเนี่ยไม่รอดไป ตายกลางทางก็เยอะพะไรเนี่ยไม่แน่ละอย่าประมาทเอ้หยกเอ้ยอย่าประมาทหมแต่ประมาทรู้รู้รู้แล้วก็ทิ้งหมดรู้รแล้วก็ทิ้งหมดทิ้งรู้หมดแล้วมันไม่เป็นจินตามยาัญญาได้หรอกแต่ทิ้งรู้หมดอ่ะมันเป็นแต่จําได้เฉยอ่ะแก่สุดตามพยาพัญญาถ้ามันไม่เป็นจิตตามพยาพัญญาไม่เอามากับจิตจอดจอดจอกับจริงอย่าตอเนื่องไขาสายมันไม่ิทว่าข้ามเป็นภาวนาได้หรอกมันจะกระโดดข้ามไปไม่ได้หรอก เพราะนั่นเี่ยถ้ามีแต่ความรู้เอาตัวไม่ล่อเหล่าที่ท่านโอเห็นคนนั้นี้มาฟังเราโอ้โหถามตอบถามตอบแล้วคล่องแค้่ว่องไวอะไรมันเป็นแค่สุดตรมยปัญญาแค่ฟังขั้นถามตอบที่เราบอกว่าเราดักได้นะดักขริงดักขั้ิงแล้วดักดักดักดักแล้วดักให้เนี่ยก็คือดักให้ให้เข้าใจให้รู้ให้เข้าใจแต่เวลาเนี่ยมันต้องเอาไปเป็นจิตตมยปัญญาไปปินาเวทมันจะไปหลุดอีกแล้ววะเขาดักครึ่งนี่มันไปหลุดไปหลงอีกว่ะมันไม่หลุดไปหลงอีกว่าอะไรเยี้ย ต้องเข้าใจตัวเองมันจิตใจมายาปัญญามันงหุดอไป้ได้ตัวเองในภาวนามายปัญญาตัวของตัวเองไม่ใช่ป่ะเราดักไปดักมาแล้วทำไมกลับไปขาหลงอีกเราดักให้เป็นตัวอย่างให้เฉยเป็นหนังตัวอย่างจะให้ดูเออแต่พี่เหลือต้องกลับไปไปเป็นจิตใมายาปัญญาไปสเกตเอาไว้กติดจอดๆทาไมวะเราทำไมทิ้งรู้ไปหลงวะเนี่ยทิ้งรู้ไปหลงทิ้งรู้ไปหลงเงี้ยที่หลงจะหมดที่ไปหาปบ้านว่วาทิ้งรู้จยทิ้งรู้ ทิ้ริงรู้หมดแต่ท่านเห็นท่านคงเห็นนะแต่ก็ไม่เกินความสามารถจะยากไงไม่เกินความสามารถแล้วพ่อแม่กูบาจา่าเนี่ยที่เรามีความเพียรนะเราอดทนเพราะอะไรพ่อแม่กูบาจา่าเป็นเด็กเลี้ยงควายกันเลยเด็กเลี้ยงควายนะเป็นชาวไร่ชาวนาทั้งอะไรนะพ่อแม่กูบาจเป็นประวัติอะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเป็นเด็กเลี้ยงควายขนาดท่านปเป็นอย่างนั้นท่านยังบรล้อรหันต์ได้มันทำไม เด็กเลี้ยงควายบรรลุอราหันต์ได้เป็นแถวเลยแล้วเป็นที่กล่าวเาไหวของพันธุ์เกจิวดาผมจงใจน่าพูแม่แต่ในหลวงยังทิตะท่านจับพื้นดินเลยกับวิภาพบมาภาพเลยกาออกับพื้นดินเลยแล้วปูกฟนนันอาจโลยืนอยู่เนี้ยว่าโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ว่าเด็กเลี้ยงควายมันทำไมกลายเป็นยิ่งใหญ่ไม่ได้แล้วเนี้ยแล้วทำไมมีความรู้ความเห็นเขาเขาใจงี้ทำไมเราจะไม่รู้ว่เราเรียนมันจะมีขนาดที่มีความรู้ขนาดนี้ยก็ทำไมไม่รู้มันต้องรู้ให้ความรู้มันเกิดมาได้ยังไงโอ้เราเป็นคนเลย คนเอาคนเอาคนเอาวะทําไมเด็กเลี้ยงควายรู้ได้ทําไมเราไปกระาษถึงกระดาษนี้แต่ยังไม่รู้วะมันมันมันโง่ตรงไหนวะเนี่ยอะไรคนละอะไรคนเลยเราคนเลยค น, ล, ยนลุยถามท่านศึกษาตํารามีหม ด, ฟ, หมดฟังหมดเลยศึกษาเราศึกษาลุยแหลกเลยอ่านหนังสือเป็นหมืน่มนเล่มตาราเราเนี่ยอ่านมากเลยแล้วเราก็ฟังของท่านพุทธทาสของท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตของสมเด็จพระสละมาฟังของสมเด็จพระสัตรกาชสมเด็จพระยาสังวร เราไปเรียนกับท่านโอ้โหเราชอบใจเพรท่านสอนเด็กขาดมากเลยลึกซึ้งว่ากละเอียดมากปัญญาสมาธิโอ้โหเรชอบมากเลยปัญญาสมาธิปัญญาของภาษาริบุตรเป็นเลิศเนี่ยท่านอธิบายโอ้โหเราฟังที่ตึกสวรเราไปฟังอยู่เกือบสองปีเราเลยถามคุณหญิงอ่ะที่เป็นดูแลเนี่ยดูแลที่อ๋อเด้เราเลยถามท่านว่าโอโเทปดีมากเลยตอนก่อนอย่างนี้สอนไหมสอนมานานแล้วมีไหมมีทั้งหมดไหมเป็นเทปกกว่ไม่มีซีดีอะเป็นเทปมีเท่าไหร่เอาหมดเลย เราก็ไม่รู้มีเท่าไหร่นะโอ้โหส่งให้เราเป็นโอ้โหเลยหมดค่าค่าเทปไปไม่รู้เท่าไหร่เลยอะส่งมาไม่รู้กี่ลังเลยโอ้โหเราต้องกวนน้อยๆเราก็บอกมีเท่าไหร่เอาหมดเลยชอบโอ้โหส่งให้หมดเลยส่งให้หมดโอ้โหเขส่งให้หมดเราก็ไปซื้อเทปใหม่มากรอบไว้เทปต้นฉบับเก็บเออล้วเราก็อัพเทปฟังฟังฟังเทปกรอบเต็มยืดล้วก็ไปซื้อเทปกรอบมาใหม่แล้วมามากรอบต้นฉบับเก็บหนึ่งม้วนเนี่ยเราฟังไปร้อยรอบเราจะจะดูว่า พุทธศาสนาสอนอะไรเราวางทั้งวันทั้งคืนทั้งวังทั้งคืนอยู่ทั้งกลับป่าก็ฟังกินข้าวก็ฟังนอนก็ฟังขึ้นรถก็ฟังเอาไปที่ทํางานด้วยพอเข้าที่ทํางานก็ฟังในห้องฟังมนทั้งวันทั้งคืนนี่ยเราอะฟังมาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเราฟังมาทั้งวันทั้งคืนวันจะรู้ว่าพุทธศาสนาสอนอะไรเพราว่าท่านสอนละเอียดมากปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาพระพุทธสารีบุตรเนี่ยโอ้โหปัญญาพระสารีบุตรละเอียดที่สุดและโอ้โหท่านเก่วะจําแม่นมากเลย เราโอ้โหแล้วก็สัมมาทิฏฐิเราเรียกว่าอยากจะรู้ว่าอะไรมันคือสัมมาทิฏฐิแล้วนี่มันหัวใจแล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็โอ้โหสัมมาทิฏฐินี่รู้อังกิร่รอบเลยห้องสือก็อ่านฟังก็ฟังอ่านก็อ่านพระยามาษาริบุตรอะไรต่างเนี่ยฟังก็จนโอ้โหผมสมเด็จพระสังราชฟังทุกมว้วนฟังทุกเรื่องฟังซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้ําแล้วจนเราประมวลผลได้หมดเลยเข้าใจหมดเลยเราประมวลกับที่เราอ่านของท่านท่านพุทธทานกับท่านประยุทธ์มาก่อนพุทธธรรมในหนังสือพุทธธรรมเร่อหนาหนานี่นะ เราอ่านตั้งมาลูกกี่รอบนะอ่านจบไปรูกกี่รอบเลยท่านพุทธธรรมเนี่ยเพราะอะไรเราถือว่าเราเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยเราจะรู้ธรรมะข้าดเคลื่อนไม่ได้คําเดียวก็ไม่ได้เราถือว่าเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่าเราสอนคนผิดต่อไปคนเขาใจผิดคำพบคาํามชัดเราโอโ้ยแบบของท่านพุทธทาสของท่านพุทธทาสก่อนเนี่ยเราศราัทธาท่านมาเราโอ้ยท่านมีปัญญาไปเรื่รอยตออ่านอ่านอ่านตำร า, าท่านอ่ะโอ้ยอ่านมากเลยอ่านอ่านบางทีเนี่ยแค่เวทนาตัวเดียวนั้ะอ่านจนถึงสว่างเลย เราต้องการจะรู้ว่าเวิทยาคืออะไรอ่านถึงสว่างคาตาเลยอ้าวไต่ขันแล้วเว้ยเฮ้ยเหนื่อยหน้าขึ้นโอ้โหสว่างเลยนี่ว่าเนี่ยนั้งอ่านเวทยาอ่นเดียวเนี่ยแล้วมาอ่านเทียบเคียงอ่านของท่านเทียบเคียงขององค์นี้องค์นี้องค์งนี้เทียบเคียงนะนี่นยังไม่รวมถึงไอ้หนังสือทุกเล่มของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นอีสานนะนี่เราพูดถึงแค่ตะวันตกแล้วก็ของท่าปยุทปยุโตแล้วก็ของต้นเด็กประชากราชนะไม่พูดถึงหนังสือของหลวงปู่มั่นสาย สายลวงปู่มั่นทั้งหมดอะที่กระดูกเป็นพระธาตุอะเราไปกว้านซื้อมัหมดเลยไปกว้านขอไปกว้านซื้อนี่เราอ่านจนโอ้โหเราต้องการจะรู้แต่เพียงว่าพุทธศาสนาสอนอะไรอรหันต์บรรลุอย่างไรเราค้นโอ้โหคนแหลกเลยว่าพุทธศาสนาสอนอะไรอรหันต์บรรลุได้อย่างไงเราค้นองค์ที่เป็นอรหันต์คนโอ้โหอ่านแล้วอ่านติ้งลงตามมหาบัวเนี่โอ้โหเราอ่านจนทะลุโป่งป่งมันไม่ทีก็บอกว่าเราไปขอที่วัดที่วัดบมอนี่มันคือหลวงอู่ผ้านะ แจกจะมอบพระเราเขาบอกว่าไม่เป็นไรเราสนใจเราขอขายก็ซื้ออะไรเราซื้อหนังสือเราเลยไปเปิดตู้เหล็กเอาให้เราต้องซื้อเนี่ยโอ้นี่ยาหนี้ยานี้การทำชื่อเขยากอยู่แล้วเราไปบอกระบุชื่อแล้วว่าเราอยากได้หนังสือนนี้ยานี้ก็รทำเขาบอกนี่เป็นหนังสือสอนพระแท้ๆแล้วก็ให้แจกพระเป็นหนังสือที่สอนในภาษาแล้วทั้งหมดเนี่ยสอนคือสอนว่าใจโป้โป้โป้อ่านพระอย่างเดียวเลยเออเราก็เลยอยากได้อันนี้อยากได้ ก็เเรื่องของพระอะไรวะเราบุตรชายต้องไปเปิดตู้เหล็กมาให้เราตู้เหล็กที่เก็บไว้ได้เฉพาะแล้วเราก็บอกอยากจะเอานี่อีกนี่อะไรอีกเราไปนคนโอ้นิยายา น, นี่การทำแล้วก็ไอ้ยทั้งหมดเลยวิญญาณเนี่ยวิวิญญาณไอ้ทั้งหมดมันอยู่ห้าหกเล่มที่มันมันเป็นเรื่องของหัวใจ แ, แท้เราไปกว่าทั้งหมดเลยไปกวา่วากว้างทั้งหมดเลยเนี่ยมันโอ้ พูดแบอที่เอามานี่ของพาทั้งหมดนะเนี่ยเออโขอยากได้อยากได้อา่านแล้วุยอ่านอู้อ่านไม่ grasp, ไมรู Double ้กี่รอบเลยขีดเส้นขีดเส้นเอาวแรกไว้เอาสีต่อไปแล้วอ่านไม่รู Zen ้กี่เื่มกี่เล่เลยอ่านซ้ำซๆๆซๆำซ้ไม่หลุดเลยว่าทุกคำต้องไม่หลุดพาพระเจ้าสอนอะไรแล้วพระราหันะบรรลุยังไงตอนที่ท่านบรรลุบรรลุยังไงเอาที่อัหเขียนน่เอาอย่างลเทพอะทาไมที่บรรลุตอนเทพะบรรลุยังไงอะไรยังไงโอ้โน้บรรลุยังไงโอ้เราอ่าน่ เราจึงเข้าใจไงเข้าใจในปริยัติก็แต่ในปฏิบัติตัวนี้เราเลยเข้าใจเราเลยเข้าใจหมดเลยพวกตั้งใแล้วว่าแต่ละคนมันปฏิบัติอย่างเงี้ยใครมาถามเราเรื่องเรื่องพิจารณากายเราก็อุ้ยเราพิจารณามาจนทะลุ ป, ปุโปรกมาเรื่องกายเราทํามาจนมันจนมันชัดเจนจนมันเป็นจริงๆเรามันไม่ได้แบบไปจำจำจำประมาณนะคือเราเนี่ยทั้งสุตตมยจจยญาอ่านมากฟังมากแล้ ว, ดดวเราก็มาปฏิบัติด้วยอเราก็มาปฏิบัติ ของเราตลอดเวลากัดติดจอจอกัดติดไม่ยอมหลับจะนอนเราไม่กินข้าวเราเขายังไม่กินนะเราเดินชมกลมแล้วเราบอกกับครอบครัวพอเราขอจิ้มจิ้มในหน่อยเอ่ะเราไม่เอาเดี๋ยวท้องหนักเราคุยเป็นเพื่อนนิดนในหน่อยเพราะว่าบางที่เราไปทํางานเขายังไม่ตื่นนะเราเลยพอพอตอนเย็นก็เลยคุยกับอารมใจหน่อยเรียกับลูกแต่แล้วเราเอดี๋ยวเดินชมกลมแล้วนะเราเข้าลงมือกินปุ๊บจริงจริงปุ๊บเราก็ไปแหละเราก็จิ้มๆิ้มผลไม้หน่อยหนึ่งออกแหละออกเดินไม่หลับไม่นอนนะเราไม่ไม่เคยนอน ไม่หลับไปนอนไปนอนหลับกลางวันเอาพิงพิงไอ้เอ้กอีกกูอีหลับตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งแต่เรารีบสั่งข้ามากินที่โต๊ะรีบกินอย่างเร็วเลยแล้วก็หลับหลุดสันได้หลับที่ไอ้กูอีแหละผมไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแล้วไปหลับมาตอนนั้นแหละหลับอาศัยหลับเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ตื่นมาพุ๊บทางานต่อเลยแล้วก็ตื่นเย็นดอกเดินเองเดินทุกวันทําอย่างไงเนี่ยเพียรมากเลยเราเพียรทุกวันทำทุกวันทําเป็นสุขสาวทิศนะไม่นอนเลยโดยขําวันข้ามคืนอ่ะ ทำไมสว่างเลยจังวะเดินต่ออีกอ้ยทำไมมืดเร็วจังวะอุ้ยมันข้ามวันข้ามคืนไม่รู้เรื่องเลยเดินไม่รู้เรื่องเลยข้าวันข้ามคืนโอ้โหเราแก่งมากเลยแข่งแก่งมาขํามวันขํามคืนข้ามวันขํามคืนไม่ไม่ตัวใจเอไม่ใช่ปะโอ้ยแค่จาอย่างเดียวเราไอ้นี่มันทํำจนโอ้โหโชคโชนมากเลยที่เป็นจิ้มนั่นเองไม่จริงเอาจริงเอ้าไป